จำเดินแต่การนั้นเมามโหสถบัณฑิตถวายอนุาสาตอัตธรรมแด่พระเจ้ากรุงมิถิลามโหสถคิดว่าก็เราดูแลสเสวตฉัตรอันเป็นราชสมบัติของพระราชาควรที่เราจะไม่ประมาทดํมริชนี้จึงให้ทำกำแพงใหญ่ในพระนครและให้ทำกำแพงน้อยอย่างนั้น ทั้งหอรบที่ประตูและที่ระหว่างระหว่างให้ขุดคูสามคูคือคูน้ําคูเปลือกตมคูแห้งให้ซ่อมแซมเรือนเก่าๆภายในพระนครให้ขุดสะโบูกรณีใหญ่ให้ฝังท่อน้ําในสะนั้นทําช้างทั้งปวงในพระนครให้เต็มด้วยทัญญาหารให้นําพืชยา ก, กับแก่และกุมมุดจากพวกดาบทผู้คุ้นเคยในสกุล ผู้มาแต่หิมะวันตประเทศมาปลูกไว้ให้ชําระล้างท่อน้ําให้ไหลเข้าออกสะดวกให้ซ่อมแซมสถานที่ทั้งหลายมีศาลาเก่าภายนอกพระนครเป็นต้นเพราะเหตุการณ์อะไรมโหสถจึงให้ตกแต่งบ้านเมืองดังนั้นเพราะจะป้องกันภัยอันจะมาถึงในการข้างหน้ามโหสถได้ถามพวกพาณิชผู้มาแต่ประเทศนั้นๆว่ามาแต่ไหน เมื่อได้รับตอบว่ามาแต่สถานที่โน้นจึงซักถามว่าอะไรเป็นที่ชอบพระราชาหฤทัยของพระราชาแห่งพวกท่านได้ความแล้วก็ทำความนับถือต่อพวกนั้นแล้วส่งกลับไปแล้วเรียกโยธาร้อยเอ็ดของตนมากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับเครื่องบรรณาการที่เราจะให้แล้วไปสู่ราชธานีร้อยเอ็ด ถวายบรรณาการเหล่านี้แด่พระราชาเหล่านั้นเพื่อต้องการให้พระราชาเหล่านั้นรักตนแล้วอยู่บำรุงพระราชาเหล่านั้นดูกิริยาหรือความคิดแห่งพระราชาเหล่านั้นท่งข่าวมาให้เรารู้แล้วอยู่ในที่นั้นเราจะเลี้ยงบุตรและภรรยาของเหล่าท่านสั่งดังนี้แล้วจะรึกคุณทนฉลองพระบาทพระขันและสุวรรณมาลา ให้เป็นอักษรในราชาพรนั้นนั้นเพื่อพระราชาเหล่านั้นนั้นแล้วตั้งสัตยาธิ่สถานว่ากิจของเราย่อมมีเมื่อใดอักษรเหล่านี้จงปรากฏเมื่อนั้นแล้วมอบให้โยธาร้อยเอ็ดเหล่านั้นไปโยธาเหล่านั้นไปในประเทศนั้นๆถวายบรรณาการแด่พระราชาเหล่านั้นเมื่อพระราชาเหล่านั้นตรัสถามว่ามาธุระอะไร ก็ทูลว่ามาบำรุงพระองค์ครั้นตรัสถามว่ามาแต่ไหนก็ไม่ทูลตามตรงทูลว่ามาจากที่อื่นเมื่อทรงรับก็อยู่รับราชการในภายในการนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าสังขพลกะในกรรมพลรัฐให้เตรียมศัตราวุธและเรียกระดมกองทัพ ทหารของมโหสถที่วางให้สดับข่าวและระวังเหตุการณ์ที่ส่งไปอยู่ณราชสำนักแห่งพระเจ้าสังขะพละการาชนั้นได้ส่งข่าวสารมายังมโหสถว่าข้าพระเจ้าไม่ทราบประพฤติเหตุในนคร น, นี้ว่าพระเจ้าสังขะพละการาชจากทรงทำ ร, ราชกิจชื่อนี้ขอท่านจงส่งสุวะบัณฑิตนกแก้วฉลาดไปทราบความเองโดยท่องแท้ ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้ฟังข่าวนั้นจึงเรียกสุวะลูกนกแก้วมากล่าวว่าเจ้าจงไปสืบข่าวว่าพระราชาองค์หนึ่งมีพระนามว่าสังขพล ก, กะในกัมพลรัฐทำราชกิจชื่อนี้แล้วจงเที่ยวไปในสกลชุมภูทวีปนำประพฤติเหตุมาเพื่อเรากล่าวชนี้แล้วให้สุวะโปดกกินข้าวตอคลุกน้าพึ่งให้ดื่มน้าพึ่ง แล้วเอาน้ำมันที่หุงร้อยหนหุงพันหนทาขนปีกแล้วให้จับที่หน้าต่างเบื้องปราจีนทิศปล่อยไปสุวบันดิตนั้นไปในที่นั้นรู้ประพฤติเหตุแห่งพระเจ้าสังขภรกราชแต่สำนักทหารของมโหสถนั้นโดยแน่นอนแล้วเมื่อจะตรวจชมภูทวีปทั้งสิ้นถึงอุตรปัญจาละนะครในกับปิลรัตการนั้น พระราชามีพระนามว่าจุลนีพรมทัตครองราชสมบัติในอุตรปัญจาลนครนั้นพรามชื่อเกวัตตะเป็นนักปราชผู้ฉลาดร่ำถวายอัตธรรมแก่พระราชานั้นในเวลาใกล้รุ่งวันหนึ่งปุโรหิตนั้นตื่นขึ้นแลดูห้องประกอบด้วยสิริอันประดับแล้วเห็นยศใหญ่ของตนด้วยแสงสว่างแห่งประทีปจึงคิดว่า ยศของเรานี้เป็นของใครก็คิดได้ว่าไม่ใช่ของคนอื่นเป็นของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพระราชทานแก่เราควรเราจักจัดแจงให้พระราชาผู้พระราชาทานยศเห็นปานนี้แก่เราให้เป็นอัครราชาในสกลชมพูทวีปเราก็จักได้เป็นอัครพุโรหิตของพระองค์คิดชะนี้แล้วเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้า ทูลถามถึงสุขสสยาตามธรรมเนียมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพข้อความอันค่าพระบาทจะพึงทูลปรึกษามีอยู่เมื่อพระราชาทรงอนุญาตให้กราบทูลจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าสถานที่รับในพระนครไม่มีขอเสด็จไปพระราชอุทยานพระราชาทรงเห็นชอบด้วย จึงเสด็จไปพระราชอุทยานกับปุโรหิตวางพลนิกายไว้ภายนอกให้รักษาแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานกับพรามเท่านั้นประทับนั่งณนะแผ่นศิลาเป็นมงคลครั้งนั้นสุวะโปดกเห็นกิริยาของพระราชากับพรามจึงคิดว่าอันเหตุการณ์พึงมีในกิริยาของพระราชากับพรามนี้ วันนี้เราจักได้ฟังอะไรอะไรที่ควรแจ้งแก่มโหสถคิดชนี้แล้วบินเข้าไปสู่พระราชอุทยานจักเร้นอยู่ในระหว่างใบไม้รังอันเป็นมงคลพระราชาตรัสให้เกวตตะทูลเรื่องพรามจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระองค์ทรงทําไว้ในพระกันของพระองค์แต่ที่นี้ความคิดนี้จักชื่อว่ารู้กันสี่หู ถ้าพระองค์ทรงทาตามคำของข้าพระองค์ข้าพระองค์จักทาพระองค์ให้เป็นอัครราชาในสกลชมพูทวีป พ, พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับคำของเกวัตตะก็ทรงโสมนัสด้วยความเป็นผู้มีความปรารถนาใหญ่จึงตรัสว่ากล่าวไปเถิดอาจารย์เราจะทาตามคาของท่านพราหมเกวัตตะจึงทูลบรรยายความคิดว่า ข้าแต่สมมุติเทพเราทั้งหลายจากเรียกระดมกองทัพแล้วล้อมเมืองน้อยยึดเอาไว้ก่อนข้าประบาทจะเข้าสู่เมืองทางประตูน้อยแล้วแจ้งแก่พระราชานั้นว่ากิจ ด, ด้วยการรบของพระองค์ไม่มีโภคสมบัติเป็นของพวกข้าพเจ้าทั้งสิ้นพระองค์จักคงเป็นพระราชาอยู่อย่างนั้นก็ถ้าพระองค์จักรบก็จะพ่ายแพ้โดยส่วนเดียว เพราะความที่พลและพาหะของพวกข้าพเจ้ามากถ้าพระราชานั้นจะทาตามคําของพวกเราพวกเราจะจับพระราชานั้นไว้ถ้าพระราชานั้นจะไม่ทําตามคําของเราไซดพวกเราจะรบแล้วให้พระราชานั้นถึงความสิ้นพระชนแล้วถือเอากองทัพนครนั้นเป็นสองไปยึดเอาเมืองอื่นต่อไป ถือเอาราชาสมบัติในสกลชมภูทวีปโดยอุบายนี้แล้วดื่มชายาบาลพวกเรานําพระราชาร้อยเอ็ดมาสู่เมืองเราแล้วให้ดื่มสุราเจือยาพิษในอุทยานยังพระราชาทั้งหมดให้สิ้นพระชนทิ้งพระศพของพระราชาเหล่านั้นเสียในคงคาก็จะทําราชาสมบัติในราชธานีร้อยเอ็ดให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จักเป็นอัครราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยประการชนี้พระราชาทรงยินดีตรัสว่าดีแล้วอาจารย์เราจะทาอย่างนั้นรามเกวัตตะกราบทูลว่าความคิดนี้ชื่อว่าความคิดรู้กันสี่หูเพราะว่าบุคคลอื่นไม่อาจมาล่วงรู้เพราะเหตุนั้นขอพระองค์อย่าชักช้ารีบยกกองทัพออกทีเดียว พระราชาได้ทรงสดับคำนั้นก็ทรงโสมนัสรับว่าดีแล้วสุวะโปดกได้ฟังเรื่องนั้นทั้งหมดในการเมื่อพรามกับพระราชาคิดการนี้จบลงจึงประหนึ่งบินลงจับกิ่งไม้รังที่ห้อยลงยังมูนให้ตกลงบนศีรษะแห่งเกวัตตะเมื่อเกวัตตะร้องขึ้นว่านี้อะไรกัน แล้วแงวนขึ้นก็ยังมูนให้ตกลงในปากร้องกิริกิริบินขึ้นจากกิ่งไม้รังกล่าวว่าแนเกวตาท่านสําคัญว่าความคิดของท่านรู้กันแต่สี่หูหรือบัดนี้รู้กันเป็นหกหูแล้วจักรู้กันเป็นแปดหูอีกแล้วจักรู้กันหลายร้อยหูทีเดียวในเมื่อชนทั้งหลายกล่าวว่าช่วยกันจับช่วยกันจับให้ได้ดังนี้ ก็บินไปสู่กรุงมิถิลาโดยกําลังเร็วดุดลมเข้าไปสู่เคหสถานแห่งมโหสถบัณฑิตก็ความประพฤตินี้เป็นข้อปฏิบัติของสุวะโปดกคือถ้าว่าเขามาแต่ที่ไร่ไควรบอกแก่มโหสถผู้เดียวทีนั้นสุวะโปดกก็ลงจับที่จะ ง, งอยบ่าแห่งมโหสถถ้าว่าควรฟังทั้งนางอมราเทวีสุวะโปดก ก็ลงจับที่ตักทว่ามหาชนควรสดับสุวะโปดกก็ลงจับที่พื้นการนั้นสุวะโปดกลงจับที่จะงอยบ่าแห่งมโหสถ ด, ด้วยสัญญานั้นมหาชนก็หลีกไปด้วยรู้กันว่าอันความลับพึงมีมโหสถพาสุวะโปดกขึ้นไปสู่พื้นชั้นบนแล้วถามว่าพอได้เห็นได้ฟังอะไรมาหรือ ลำดับนั้นสุวะปรดกจึงกล่าวกะมะโหสดว่าข้าแต่นายข้าพระเจ้าไม่เห็นภัยอะไรอะไรแต่สำนักพระราชาอื่นในสกลชมภูทวีปก็แต่พรามชื่อเกวัตตะผู้เป็นปุโรหิตของพระราชาจุลนีพรหมทัตในอุตรปัญจานนครพาพระราชาไปอุทยานแล้วทูลความคิดอันรู้แต่สี่หู ข้าพระเจ้าจับอยู่ระหว่างกิ่งไม้รังยังมูนให้ตกลงในปากแห่งพราหมณ์เกวตตะแล้วมานี่กล่าวชนีแล้วบอกกิจที่ได้เห็นที่ได้ฟังทั้งปวงแก่มโหสถครั้นมโหสถถามว่าก็พระเจ้าจุลณีรับจะทําตามหรือไม่สุวะโปดกตอบว่ารับจะทําตามมโหสถจึงทําสการะที่ควรทําแก่นกนั้น แล้วให้นอนในกรงทองคำมีเครื่องลาดอันอ่อนแล้วคิดว่าฉชรอยเกวัตตะไม่รู้จักความที่เราชื่อมโหสถบัณฑิตเราจักไม่ให้ความคิดที่เขาคิดกันนั้นสำเร็จได้ในบัดนี้จึงถ่ายสกุลเข็นใจในเมืองออกอยู่นอกเมืองนำสกุลมีอิสริยยศมีทรัพสมบัติซึ่งอยู่ใกล้ประตูชนบทในแควนเข้ามาอยู่ภายในเมือง ให้สะสมธัญญาหารไวเป็นอันมาก